เพื่อพยุงจิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหล่าใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านใหอุบายแนะนําสั่งสอนตลอดทังวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบําเพ็ญ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 ซึ่งมีอยู่ในธาตุในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสำคัญไม่อยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความจริงของมันทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายไว้หมด เอาแก่แก่ไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกข์ทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญานะฮตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญานี่ <Yeah. S 2> ก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีก <Yeah. S 2> ไม่แค่นั้นธรรมพะพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้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 ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกจเปิดฉังแลปฏิตำผิดทุก ข, ขังปรารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์หนะักคือความบกพร่องจึงต้องปรารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้เข้ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเปลี่ยนนั้นเพราะเรื่องหงดุดหงิดความต้องการถึงนั้นถึงนั้นนั้นด้วยความอยาก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 เต็มที่จิตดวงหนึ่งเต็มไปด้ยวคดยวความบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากดวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียมต้องวุ่นต้องวายหานั่นมาเกาะหานี่มาอาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เละกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะอาศัยอะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละเนี่ย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 หสือร้ายกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเทียเท่ยวโฉกเที่ยวรักเทียเท่ยวป่นเที่วสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่นมายอยู่เราได้ชื่อมันจะมาทั่งโคตรมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงถฉกคงรักคงป่นคง d อยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขแขนงได้โมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมาก่อกวนเราให้รับความยุ่งยากหุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วได้แต่ชื่อมักชื่อผลชื่อสวรรค์ชื่อนิพพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเเพื่อความถูกต้องนิยามจริงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทํำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทําทําอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทําเขีนกําหนดพุดโทโธทําโมหรือสังโฆบุใดก็ตามกําหนดอน า, าปาใหาติก็ตามแล้วแต่จริตจิตใจของเราที่ชอบเรานํามาม า, ม า, ม า, ม า, มากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยส่ายแสไปเกาะ น, นั้นเกาะ น, นี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบริกรรมภาวนาด้วยความีส ต, ติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้จิตสายแสไปใน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 ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องประพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกที่น่าจีพหายไปหมดนะั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเ <ừ. S 1> พราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นด้เฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอน <ừ. S 1> วิธีทำกระดังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ พอจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภ า, ายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลกระหลาดยิ่งกว่าความสุขในอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปรากฏหรือสัมผัสเข้าภ า, ายในจิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเร า, เราความสุขอันนี้ไม่ขยืดขึ้นไปหรือจิตไม่สงบมากขึ้นไปกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฝังอยู่ภ า, ายใจิตเลยไม่ตั้งใจจะจําก็จําได้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 พอจิตงสงบแล้วเย็นไปนหมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้น่ะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอกนอกจากความเสษสันตเฉยๆถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสษสันตเฉยๆพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแลเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแปลกประหลาดายในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นและพยายามบําเพ็ญให้มากขึ้นโดยลําดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิ่มอยู่ภายในจิตเบิกอิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภายในจิตนี่ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา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 คำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเคียมโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรือนำมายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษจากตัวเอง ม, ม, มีมีอย่างเหลือสลัดไปเสียนานนักกราท่านเป็นอย่างนั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภายในใจปรากฏขึ้นมา เราก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ไม่เกิดความสาคัญอะไรเลยมนันเป็นในตัวเองมันเป็นความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหลมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเล้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาไปว่าอย่างนั้นแหละตําหนิเจ้าของไปเรื่อย ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นมันไม่สำเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภายในจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนดินดินดนั่งนอนรุ่งไปหมดนี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาแต่นั้นมันพอมองดูนอนมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่ค่อยฉุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําจิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งก้าเขาทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวเพลีวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจนความตายนี่พิาจารณาเฉพาะตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุ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 พอจะว่างให้เราอยู่ด้ดยภามีความภาสุขสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราคำคร่ามไม่ต้องได้รับความทุกข์เรามำากไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุถึงนผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเนื้อกลนตัวลุมเนื้อลุมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย ความรู้เรื่องรู้ลาลุหตุลุผลถอยเข้ามาก็ด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลําดับเพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟ อ, อกสิ่งที่มัวหมองความหลงงมงายอยู่ภายในจิตใจออกแล้วจิตใจก็มีความแผวพาขึ้นมาโดยลําดั บ, ดบนั่นนี่เรียวกว่าพึ่งตัวเองได้เดิมดับการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดจากเจิดตายนี้เพื่อจะฉลาดความรุ่มความหลงในสิ่งเหล่า น, นั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอํานาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจา ก, กจิตใจโดยลําดับลํำดั บ, ดบจนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมารวมนาาของปัญญานี้นี่การดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของ จ, จิตใจตัวเองไปโดยลําดับลําดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามันขุมขึ้นไปโดยลําดับปัญญาพิจานาณาเฉลียวฉลาดรอบตัว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 เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบและรับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่าหาแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภาย ใ, ใจิตใจของตนเองที่เปรียบกับกิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานรู้เท่าทันนี่ปัญญาแยกดูให้เห็นเรงฐานเรื่องฐานเวลานี้มันเป็นอยู่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 คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไ ป, บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภ า, ายนายก็ตามเกิดขึ้นภ า, ายในก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นอิปริยนามธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเพิ่งพิงเพี ง, พ ง, พงอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแกนสารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชักพ่อประดุดํา ด, ดับสิ่งที่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 เหตุการ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้ า, ากว่าเราไม่ได้สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนลเอาใครจะไม่รกักไม่สงวนชีวิตทั้งตัวเองใครจะไม่รกักไม่สงวนของสมบัติเงินทองเราของเสียไปแต่ละบาทแต่และสตางค์เสียทนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมเราถึงสละได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่อพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อตัวเองนี่แหละแล้วก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจารณายากลําบากล้วก็ทําได้ไปได้มาได้ การมันเพนจิตใจเป็นสิ่งสําคัญขออยากได้ปล่อยวางในสิ่งสําคัญให้เห็นว่าสิ่งสําคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักจาดสมนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบํารุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลําดับชาตินี้เราก็อาศัยใจเราอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจาก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 ทำจะเป็นค่าสืบต่อนาทีการงานและผลประโยชน์ทานอื่นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้